กายที่วาปนัสสะสติปัจจุปปิตาโหติยะวะเดวายนามตายะปิตสติมตายะอนิสิตโวิหระิอิริยะเตเอวัมปิคปิเกวิปิโกายกายานุปสีวิหรตม ยามสวดให้กระจับกระเฉงไหมบาหิตทาวากายเกียรยนุปัสสีวาติบหิทบาหิตบาหิตเสียงสัน้นพอพานน่ยพอพานบอบาหิตบาหิตบาหิทาวากายเกียรยนุปัสสีวิหารติอาชาตังวาบาหิตทาวากายเกยียรยา เสียงมันขาดเลยอจตังวาบหิตทาวากายกายานุปัสสิวิหารติสามุไดยะธมานุปัสสิวากายตสมิงวารติสมุสมุสันส้นๆเนี่ยสามันไม่ใช่สราแนนะมันสามันออกไปสราไปแล้วเห็นบอเนี่อยู่ทางซ้ายมือเรานี่แหละฮะ ลกีมองนี่มองนึ่ง น, งนี่ า, นามัตตาญะณนี่ตาตามาที่ไหนมาตาญาามัตตายะเอื้อนเสียงอะไปิิสติมัตตายะอนิสิโตจวิหรติในจักินจิโกเกอุปาดิยตเอวามปิโคภิกเขเวภิกโขกายเยกายานุปัสสิวิหรติ เนี่ยตรง น, นี้เนี่ยแก้มันได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบาหิตทาวากายเกายานุปัตสิวะรติอัจฉริบาหิทาตหทาวากายเกายานุปัตสิวะรติใครคนว่านฮ ะ, ะสามูดายะธรรมานุปัสิวะกายสงวรติสมุดยะวยะสมุดยะธรรมา สมุเดยอดยะธรมาสมุสะมุไม่ใช่สาไม่ใช่สะอาเนี่ยสะอ่ะไห้มือจับไปเฉงทวิหารติวิหารติเนี่ยยาวะเดวะญาณมัตตายะจะไปตายะทำไมอะยาวะเดวะญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะ อันนี้สโตจะวิหรติเสียงสั้นเขาว่ามันสั้นๆนวิหรติมีแต่เสียงสั้นทั้งหมดอันนี้สิโตจะวิหรติโตสะโอยาวก็ได้สะโอไออูเอโอสะโอว่ายาวๆก็ได้อันนี้สีโตจะวิหรตีนจะกินจิโลเกอุกนี่โลเกยาวๆสะโอสะเอเนี่ยสะเอสะโอก็ยาวสะเอก็ยาว น่จะกินจิโลเกอุปาดิยตีอุปาดิยตีเห็นไหมมันไปแล้วยาตีโลเกอุปาดิยตีเดี๋ยวอัมพิขอพิคเวพิโคกายะกายานุปัสสิวิหรตีรู้จักเสียงสั้นเสียงยามก็ไปหรอกมันก็ไปได้มันก็จับผระเชิงได้รู้จักสังเกตไปด้วยสวดสวดให้มันดีไปหน้าสวดทําได้ ที่ครสะเขาเรียกว่าได้เสียงสั้นเสียงยาวหรือมันสวดไม่ไม่ไพเราะสวดไม่เข้ากันยืดยืดอยู่นั่นแหละไม่ฟังหมู่ด้วยนะนะสมุทรยะสมุทรยศซาโมดายะธัมมานุปสีวากายสมิงการตีซาที่ไหนอะดูสิสมุสมุสมุเสียงสั้นออโอเนี่เสียงสั้น อีูเอโอเสียงยาวเสียงที่มันสะกดกันก็ว่ามันชัดว่ามันขาดไปเลยเสียงที่สะกดมีตัวสะกดอัชตังวาเนี่ยอัดชตังวาเนี่ยเสียงที่มันเสียงที่มันมีตัวสะกดอัชัดอัดชอัดชตะบหิตท่ว่าอัชตะบหิตบหิตเนี่ยหิตนี่ว่ามันขาดเลยอัดชดตัหิต ทาวกายคากับเส้ากับเสอเอีมันยาวได้ว่าส้าเสอเนี่ยอัดจับฉัดตาบหิตทาวกายกายานุปัสสีวิหารติยาวพอดีพอดียาวมามันยืดยืดยืดยืดสมุดยะธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหรติสามุไดยะธรรมาพุนได้มันสระอามันไม่ใช่สะอานะ มันเป็นเสียงอะไรเลยฮบูจะเสียงสะอาตัวนะวายธรรมานุปัสสีวากายสเมิงวิหารติเนี่ยต้องบทลงท้ายเนี่ยพยัญว่ามันดีตั้งแต่อิติอจฉตตังวาเ น, นี่ยนี่ตั้งแต่อิติอจฉตตังวากายเยกายานุปัสสิที่เราเน้นเนี่ยเน้นตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นบทสรุป คือร่างกายเป็นป่ายชาทั้งเก้าเก้าอย่งางพอเวลาบทสรุปเป็นรบทสรุปท่านท่านก็สรุปมาที่เศ้าอิมัเมวะกายอย่างอุปสั่งหรตินอมมาสูกายน้อมมาสูกายของเราเนี่นอมมาสูกายของเราเนี้เห็นเป็น อะไรก็แล้วแต่เห็นสัตว์กัดเห็นเหลือแต่นังเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เอ็นเหลือแต่อะไรก็แล้วแต่นาะมาสู่คายเราเนี่ยขึ้นอืดพองขึ้นเขียวขึ้นอะไรจะยังไงขนาดไหนก็นตามแต่เถอะไอความเน่าความเหมแล้วนั่นนหะพอจบแต่ละบทแต่ละบททั้งนั้นเนามาโซออิมะเมย์วะอิมะนะไม่ใช่อิมนะซ อ, อิมะอิมะไม่ใช่สองสองพยางนะไม่ใช่ ไม่ใช่พยางค์เดียวนะสองพยางค์อิมะอิมะไม่ใช่อิมนะไม่ใช่ซ้ออิมเมวะนี่ไม่ใช่แล้วนะนี่ภา ษ, ษาบาลีได้มันมีสระติดอยู่ในตัวมันทุกตัวนะ่นตัวไหนไม่มีตัวสะกดมันมีสระในตัวของมันสระไม่มีรูปอิมะซ้ออิมเมวะนี่ไม่ใช่แล้วนะผิดซ้ออิมะเมวะกายยังอุปสังหรติอุปสังหรติ อยมอยมอะอยมปิอยม์ปิอยมส์สรอังระอยม์นี่แหละเอานี่กหิตเป็นมะเป็นอยม์ปิยมปิมปโคกายโยอิอวังธรมโมร่างกายเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามีอยู่นี้คงเป็นอย่างนี้ไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้อิติอาจัตตังวานไหเยคายานุปัีสิเวรติ บาิตม่ใชบาหิตนะบานี่มันไม่ใช่สรอะแล้วี่บิตบาิติเสียงสั้นบาิทาวกายกายานุปัสสีวิหติอจจตบบิตทาวกายกายานุปัสสีวิหติสมุดยะตมานุปัสสีวากายัสมิงวิหารติยัตสมิงยัสมิงอ่านีกหิตเนี่ยเสียงสั้นนิกหิตเสียงสั้นไม่ใช่เสียงยาว วิหารติเสียงสั้นทั้งหมดสมุดิยะสมุไม่ใช่สามูลมันไม่ใช่สะอาะมันไม่ใช่สะอาะสาะอาสมุดิยะสมุดิยะธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหารติสมุดิยะวิยะธรรมานุปัสสีวากายสัมิงวิหารติเรื่องการพิจารณาพิจารณาข้างในน้องไปข้างนอกก็ได้ พิจาราข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาข้างในก็ได้พิจาราข้างนอกน่ยน้อมมาเพื่อเกิดความเบื่อนในข้างในในกายเรานี้นโสย ม, มีวกายังอุปสร่างหรติน้อมมาสู่กายนี้น้อมกายข้างนอกน้อมที่เห็นอยู่ข้างนอกมาสู่กายของเราเนี่ยว่าร่างกายคนนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้ ไม่ลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เหมือนกันหมดนี่ครับท่านกำหนดด้วยปายช้าทั้งเก้าไปดูคำแปลเข้าใจดูให้คำแปลเข้าใจท่านไล่เอาแต่สิ่งที่เป็นส่วนในร่างกายของเราทั้งหมด <c oughs> มนต์ท่องบนสวดมนต์ท่องบนเพื่ออะไรสวดมนต์ท่องบนภาวนาสวดมนต์ท่องบนภาวนาสวดแต่มนเฉยๆไม่ภาวนามันไม่ได้น้อมมาหาความจริงไม่ได้น้อมมาสู่ความจริงท่องบน ท่องบนมันก็ทาให้ใจของเราในสงบสงดจากนิวรณ์ได้ยุท่องบนขอยตั้งอกตั้งใจท่องท่องได้แล้วพี่เอามาสวดท่องนะคือบนบนคือท่องนั่นแหละอืมอิติอาชตังอิติอาชตังวะอิติอาชตังวะอิติอาังวะอิตาชังวะอ่าสมุทยยะธรรมาสมุทยะธรรมะสมุทยะธรรมา ท่องมันจำัำคล่องปากเรียกท่องความท่องมันเป็ น, ปนการหัดใช้ใจหัดใช้จิตนะดูไปให้ดีนะอย่าอย่าไปคิดว่าท่องเหมือนนกขุนนกนกแก้วนกขุนทองในระหว่างที่ท่องมันเป็นการฝึกจิตไปในขณะเดียวกันอืให้เกิดความจำเอาลองไม่มีลองไม่มีการท่องนี่จะได้จำมาสวดไหมปาฏิโมกเนี่ย ถ้าเราไม่ท่องจะได้จํามาสวดไหมจําเป็นไหมสวดปฏิโมกความจําทุกอย่างก็มันมันก็มาจากการท่องดูผ่านหูผ่านตาไปเฉยๆจาไม่ได้ดอกจําไม่ได้ดูจนขึ้นขึ้นใจขึ้นปากขึ้นใจมันพอๆกับการเพ่งกสินนั่นแหละเพ่งจนเพ่งจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่น มันเป็นการฝึกข้างในนะไม่ใช่เราสักเทวดาถามมันฝึกข้างในนะฝึกใจของเราใจของเราที่ไม่เคยท่องแม้แต่ท่องยะถาสัพีนะ่ะเอะขาท่องยังไงได้สวดเขาท่องยังไงได้สวดเพราะเราไม่เคยฝึกท่องเพราะเราฝึกท่องพอเราเริ่มฝึกท่องมันใช้การกําหนดจดจ่ออยู่ข้างในสัญญาไอ้ตัวสัญญาเมื่อเราหลับตา หลับตาเห็นลืมตาลืมตาดูแล้วก็หลับตาลืมตาดูแล้วก็หลับตาลืมตาดูแล้วก็หลับตาเพราะเราหลับตาแล้วมันเห็นนี่คือสัญญาสัญญาตัวนี้จำความจำตัวนี้เราก็เอามาใช้ในคราวจําเป็นนี้แหละจากนั้นแล้วมันก็จำนนจำนี้จำอะไรตามเรื่องของมันเพราะสัญญาขันมันจําตามเรื่องของมันแต่มันมีอยู่อยสอสองกรณีความสัญญามันมีสองอย่าง หนึ่งจำของเก่าที่เราเราเคยผ่านหูผ่านตาอสองคาดเดาหมายที่เขาเรียกว่าจำได้แล้วก็หมายรู้หมายรู้คือคาดเดานั่นแหละหมายรู้คือคาดเดาเช่นอยา่างเขาบอกว่าเมืองกรีตเป็นอย่างงั้นๆๆโอ้สะพานนั้นงามเหลือเกินสวยเหลือเกินอเมริกาเป็นอยังงั้นงงั้นยังสะพาน อ, อะไรกอลเดนกอลเดนกูตกอลเดนอะไรเนี่ยงามอย่างงั้นยังงั้น ดูานะอัศญ์ยันยงนั้นยงงั้นกว่ามโนภาพไปแล้วไม่เคยเห็นรูปการคาดการเดาอย่างนี้เลยถ้าเรียกว่าหมายรู้หมายรู้เราดูให้เห็นสักได้ว่าการคาดการเดามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ถ้าการคาดการเดาโดยที่เราไม่มีสติสมชิชญญะกำกับสัญญามันสวมรอยมาเร็วมากสัญญารูปเสียงกลิ่นรสผลิัณพธรมรมารมณ์สัญญามันสวมรอยเข้ามา ทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดียินดียินร้ายขึ้นมาตามทันทีเล ย, หยแหละเพราะเรื่องของสัญญามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเก่าที่ล่วงไปแล้วนอกจากล่วงล่วงไปแล้วมันก็สามารถคาดเดาของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านหูผ่านตาเราได้เช่นอยากเขว่าที่นู่นเป็นยังงั้นที่นี่เป็นอย่างงี้ลอง เ, าเ้าเล่าให้เราฟังดูเราก็วาดสัญญาไปแล้วแหละว่าเป็นอย่างางั้นเป็นอย่างงั้นเป็นร้าน คือของนี่คือของคาดของเดาแต่เวลาเราไปเห็นจริงแล้วอ้าวโอ้ยมันคนละโลกกับที่เราคาดเราเดาวนั่ น, นเป็นอย่างนั้นอการที่เราคาดเราดาวเราสวดเราฟังเทศฟังอบรมฟังหลักความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเชนอย่างท่านพูดถึงสงบสงบแล้วเป็นเงั้นเป็นเงันเป็นงันเป็ น, นเราไม่เคยเป็นเราก็คาดไปเดาไป พราะเวลาเรามาทําเองปั๊บเรามีความสงบอ๋อสงบเป็นอย่างงี้สงบเป็นอย่างนี้อบ อ, อบอกไม่สงบจิตไม่สงบเป็นงนั้นเป็นงนั้นเป็นงนั้นพอเรามาดูจิตของเราเวลามันไม่สงบโอ้เป็นเหมือนยีติอยากที่ทัานว่าจับยังไงก็ไม่อยู่มันฟุง้งมันซ่านมันกระสานซ่านเซนไปหมดนี่คือตัวสัญญาการคาดการเดาโดยเหตุที่จิตของเราเนี่ยมีขันอย่างหนึ่งที่ท่าเรียกว่าสัญญาขัน มันทั้งจําได้มันทั้งหมายรู้ตัวนี้แหละเป็นตัวผลให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะมันเป็นกิริยาการของจิตเวทนาก็เป็นกิริยาการของจิตสัญญาเป็นกิริยาการของจิตอาการของจิตสังขารเนี่ยความปรุงของจิตเนี่ยวิญญาณเนี่ยความปรุงของจิตอสิ่งเหล่านี้แหละตล่อมล้อมรวมลงมาเอาสติเอาสัมผััญญะกํากับ เป็นเหตุให้เราเสริมให้เราเกิดปัญญาเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสัมภัญญะเกิดการรู้เกิดการหมายรู้อืเริ่มแรกเราก็หัดตั้งใจทำคาดคาดเดาเดาพิจารณายังงั้นพิจารณาคาดอย่างงั้นคาดย่างงี้เดายังงั้นเดายังงี้ก็เหมือนอย่างเราเหมือนก็เหมือนอย่างเราใช้จินตะทั่วๆไปจินตะคือตรึกนึกคิดคาดคาดเดาเดา พอทําจนได้ที่ทําจนได้หลักได้เกณฑ์มันก็เป็นของจริงขึ้นมาคาดคาดเดาเดเป็นสัญญาแต่ถ้าเกิดความรู้เกิดความเห็นขึ้นขึ้นมาก็เป็นปัญญามันก็ไปจากสัญญานี่แหละถ้าไม่รู้จะไปคาดไปเดาปัญญาเกิดไม่ได้เหมือนอย่างร่างกายของเราเนี่ยท่านให้ดูข้างนอกแล้วก็น้อมมาดูข้างในของเราเนี่ยเห็นคนตายข้างนอก ตายหนึ่งวันตายสองวันตายสามวันตายขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้นอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่อสมมติเราไม่ได้ไปเยี่ยมป่าช้า <c oughs> เราก็ระลึกภายในใจคนตายอ๋อสภาพคนตายเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปดูไปเยี่ยมไปดูไปเยี่ยมเพื่อจํามาแล้วก็ น, น้อมเข้ามาที่ร่างกายของเราเพราะร่างกายของเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันตายห น, น, น, นึ่งวันตายสองวันตายสามวันเนี่ยร่างกายนี้ด้วยเหตุที่มัน ไม่มีมันขาดไออุ่นมันขาดความอุ่นขาดธาตุไฟขาดธาตุลมลมเข้าไปปรนปลือกายไฟก็อบอุ่นกายไม่งั้กันกลายนิ่มกันเน่าดินน้ํายังมีอยู่แต่ด้วยเหตุที่ธาตุลมไม่มีธาตุไฟไม่มีไอดินน้ําที่เป็นก้อนนี่มันก็เลยบูดมันก็เริ่มบูดมันก็เริ่มอืดเห็นไหมเริ่มบูดเริ่มอืดเริ่มส่งกลิ่นสีก็เริ่มซิด เริ่มเขียวเขียวขึ้นอืดนะอืดหนักๆเข้ากี่วันหลายวันต่อไปก็เริ่มผองเริ่มปตีเริ่มแตกน้ําเหลืองข้างในดันทะลักษ์ออกมาคือน้ํามันเสียแล้วน้ําที่อยู่ในกายที่มันมันอยู่กันธาตดิน้มันเสียแล้วมันไหลมันทะลักออกมาท่านเห็นข้างนอกแล้วก็ท่านให้น้อมเข้ามาข้างในเนี่ยและข้างในมันจริงไหมถ้าเราไม่ใช่คาดไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาคาดคาดเดาๆมันจริงไหม ทั้งที่เราเราก็ยังไม่ตายเราก็นั่งอยู่นี่แหละเราก็มองมาให้เห็นว่าเราตายมองมาให้เห็นว่าเราขึ้นอืดขึ้นอืดขึ้นพรองขึ้นเขียวน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิม้มเนี่ยเราคาดเราเดาผลเราเอาตรงไหนผลของมันผลเอาที่ใจใจแม้แต่เราจะคาดด้วยสัญญาก็จริงแต่มันสามารถทําให้เราสะอิดสะเอียน น่าเกลียดน่ากลัวสปกสปรกโสโครกเบื่อหน่ายคลายจางจริงจางเห็นเป็นตุเป็นตะขึ้นมาได้เนี่ยจากที่การที่เราคาดเราเดาเพราะการคาดการเดาแบบนี้เป็นธรรมมันเป็นธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงจึงให้เรียนสัญญาสิบอย่างไปดูที่สัญญาสิบอย่างท่านท่านให้เรียน อ, อสุภ<ม>ัสัญญาสำคัญหมายว่าไม่งามโสโครกปฏิกูลสัญญา ปฏิกูลและสัญญาหน้าเกลียดโถโครก อ, อัธิกาสัญญาสำคัญมันหมายให้มองหเห็นเป็ดกระดูกมีแต่ร่างกระดูกเนะี่ยอนัตตาสัญญาสำคัญหมายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสัญญาเหล่านี้ท่านสอนทนสอนให้พระ น, นในเรียนเนี่ยสัญญาทั้งสี่ประยางเนี่ยมันก็เป็นสัญญาแหละตรับฝึก ย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมามันเห็นแม้แต่สัญญามันก็สามารถหลอกหลอกจิตของเราได้เหมือนกันให้จิตของเราหยุดชะงักอยู่นึงเช่นอย่างอสุภาสัญญาเนี่ยเรากําหนดในรูปหญิงในรูปชายพอเราเห็นปั๊บเราก็น้อมมาพิจรารณาให้เห็นเป็นคนตายนอนล่วงไปสองสามวันขึ้นไปขึ้นอืดขึ้นเขียว เริ่มแต่เริ่มปริดน้ําเหลืองน้ําเขียวแล้วก็กำหนดไปที่กลิ่นกําหนดไปที่แมงวีแมงวันมันไปจับนอนอยั่วเยยุบยับยุบยับเห็นตะกนำำ้นดาๆยุบยับยุบยับกาหนดให้เห็นเป็นน้ําเหลืองน้ําเขียวไหลเยอะอกมาเนี่ยใจมันสะอิจฉเอียนได้แม้แต่สัญญามันก็สามารถหลอกใจได้หยุดชะลอให้ตั้หาราคะในหัวใจเรานั่นชะลอได้หยุดได้ สง บ, บได้ราบคาบได้คือเราพยายามจะดูให้เห็นเป็นของจริงแต่ของจริงมันยังไม่ปรากฏเพราะตัญหามันรุนแรงในหัวใจของเราท่านจึงให้เอาตัวนี้มาเป็นโลปิดบังเอาไว้ก่อนดูกว่าจะดูให้เห็นเป็นของจริงได้กว่าจะจิตจะยังเถึงเป็นความจริงได้เนี่ยต้องมีอันนี้มาเป็นโลปกป้องความกำหนัดความรักใคร่ความยินดีเสีก่อน เชื่อลองไปกําหนดพิจารณาลองดูเวลามันเกิดความหลงเคลื่อไปกับสัญญาอารมณ์ราคะตัณหาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะขึ้นเสร็จแล้วกําหนดให้คืขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้ น, น, นเหลืองตายอปาปากว้อแมงวันบินมาเจาะมาตอมมาชอนมาไช่นะแล้วก็เปื่อยไปเป็นช่องเป็นช่องเปืป่อยไปเป็นรูเป็นรูพรุนไปหมดมันไปเจาะรูตรงนั้นเจาะรูตรงนี้ พรุนหมดทั้งตัวนะ่ะออกมาทั้งปากออกมาทั้งจมูกออกมาทั้งช่องทวารทั้งก้าดูให้เกิดสะอิดสะเอียนไปหมดมันทําให้ความกําหนัดยินดีรักใคร่หยุดชะงัดลงทันทันทีนี่มันเป็นโล่สำหรับปกป้องความกําหนัดราคะด้วยความยินดีด้วยความกําหนัดที่รุนแรงถ้าไม่มีวิชานี้เนี่ยโอ้ยยิ่งไปส่งตามันด้วยแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่ ออยิ่งก็ช้างตกมันสิอีกยิ่งเราส่งเสริมก็ไปแล้วมีเป็นยิ่งเป็นช้างตกมันเลยวิธีแก้มีอยู่นี่พุทธิจารย์ท่านสอนให้แก้่เราพิจารณาเห็นเห็นสักตะวันกายเห็นสักตะวันเนื้อเห็นสักตะวันหนัง <c oughs> เห็นสักตะวันกระดูกใจมันยังเข้าไม่ถึงหรือว่ามันยังไม่เข้าไม่ถึงมันเคยมีสัญญาอารมณ์เคยจัก เคเกี่ยวข้องเคยผูกพันมาหลายกับหลายกันบริชาติเห็นปุ๊บมันก็กำหนดปุ๊บทันทีเห็นปุ๊บก็กำหนัดปุ๊บทันทีเห็นปุ๊บกำหนัดกำหนัดปุ๊บทันทีเนี่ยกำหนัดกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละมันสิ่งเป็นสิ่งที่เราออกยากที่สุดแล้วก็สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ผูกเราอยู่ในโลกเพราะฉะพูดทีละสิ่งเหล่านี้ได้ และสิ่งเหล่านี้ได้ท่านยิงว่าอนาคาอนาคาอนาคามีไม่กลับมาไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเพราะโลกมนุษย์เป็นโลกของกามมีค่ะที่ท่าเรียกว่ากามโลกกามโลกโลกมนุษย์นี่เป็นกาลมาโลกรูปโลกเขามีความสุขอยู่กับฌานอารมณ์โลกเขามีความสุขอยู่กับอารมณ์ของอารมณ์ฌานพูดถึงคุณสมบัติของใจนะพูดถึงคุณคุณสมบัติของใจ ใจที่อยู่ในชั้นนี้มันเป็นใจที่ยังยังสวยกามยังเกี่ยวข้องปูพันกับกามผู้ที่เรินจนได้คุณธรรมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามพระอนาคามีตายแล้วตายแล้วท่านยังไม่ได้เป็นพระอรนาเนี่ย <c oughs> ท่านไปเกิดนู่งพรหมสุทาวาสนะห้าชั้นขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อย <c oughs> <c oughs> อภิหาตตาปาสุทัศสุทัศ ส, สีอาการิธา ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเร ое, ื่อยสุกไปเรื่อยสุกเรื่อยสุกงอมฝนก็ตามไอ้ลมก็ตามไม่ลมก็ตามไม้เหมือนหมา ย, มายถึงเหมือนกับผลไม้ผลไม้ที่มัน ส, สุก อ, อยู่ในขั้วนั่นแหละมีลมก็ตามไม่มีลมก็ตามมีคนเขย่าก็ตามไม่มีคนเขย่า ก, ก็ตามพอมันหมดอย่างที่ต้นคัวน้วมันก็ลนตุกลงมา คือกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดมันหลดุดมันหลดุดมันหลดุดมันหลดุหลดไปโดยอัตโนมัติของมัน น, นี่เป็นนุ่มจนถึงอัคนิธานี่ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยพรมชั้นสุทาวาสสุทาวาสแปลวา่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดจดจากกามแต่ในใจหลงเคลิ้มกับความลุ่มหลงยึดรูปประญายึดอรมณ์ปัญญานยึด มันยึดใจมันยังยึ ด, ยดมันยังยึดความสุขส่วนละเอียดระคะส่วนละเอียดกำนัดยินดีข้างในละเอียดลึกๆแต่ไม่ใช่กำนัดยินดีในรูปไม่ใช่พ้นไปหมดแล้วอืกำนัดยินดีพอใจในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ของฌานที่เป็นรูปฌานก็ตามที่เป็นปอารมณ์ฌานก็ตามอืม กามราคะท่านพูดถึงกามราคะปฏิฆะเนี่ยกามราคะปฏิฆะเนี่ยละได้เด็ดขาดพระนาคามีกามราคะกับปฏิฆะปฏิฆะคือความโกรธมันเป็นเรื่องของความความความพอเลยนี้ไปแล้วก็เหลืออยู่กับความลุ่มหลงภ<ม>ายในจิตของตัวเองลุ่มหลงกับอารมณ์ละอันละเอียดอ้อยอิงของตัวเอง มันเรียนลึกซึ้งอยู่ข้างบนนั่นอ่ะ น, นั่นคือจิตที่ดําเนินแล้วก็เป็นไปแต่สําหรับพวกเราตะเกี่ยว์ตะกายลูกผีลูกคนเนี่ยรู้จะทำยังไงท่านให้อาสิ่งเหล่านี้มาถือมาประพฤติมาปฏิบัติเราจรึงมีท่องบูญ<ม>สวดมนต์แล้วก็ภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ดอกไม่ภาวนาคือไม่ได้ปฏิบัติอเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องจะเห็นคุณเห็นท่องเองสิ่งเหล่านี้ มันขึ้นอยู่กับจิตของเราถ้ า, าเราไม่เอาจิตเรามาพิจารณาให้เกิดความเบื่อเกิดความหน่ายอืมันไม่มีอะไรมาเป็นกําลังใจไม่มีอะไรมาเห็นคุณเห็นโทษแต่ก็ต้องอาศัยกําลังหนุนจากความสงบคือจิตใจเราจะต้องมีความสงบถ้าจิตของเราไม่สงบมันเหมือนกับเราเอาจิตที่ไม่สงบไปทํางานจิตที่ไม่สงบะคือจิตหิวเหมือนกับคนที่หิวข้าวนัน่นแหละ มันไม่มีกําลังด้วยแล้วก็ท้องมันหิวด้วยแรงก็หมดอีกตั้งหามันหมดแรงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปบริโภคอาหารซะก่อนบริโภคบริโภคบริโภคอาหารรับทานอาหารเข้าไปปั๊บมันก็เริ่มอิ่มท้องก็อิ่มในขณะที่ท้องอิ่มมันก็มีมีแรงอีกตั้งหากอีกมีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงจะไปทํางานทําการก็ได้ การที่เราทำจะให้จะให้ได้รับความสงบไหมครับว่าทําให้ใจของเรามันอิ่มใจไม่สงบคือใจไม่อิ่มใจไม่อิ่มใจหิวโหวยหิวโหวยหิวอะไรหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นคยจรนของใจเป็นคอยจรของจิตที่จิต ที่จิตมันจะออกไปเป็นขดจอรเพราะมันมีรูออกมันมีช่องออกออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ความน้อมนึกในภายในของมันคือทางใจออกไปยุ่งเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรส ก, กับสัมผัสขดจอรนของมันมีอยู่แค่นี้แหละขอขดจอรนของมันมีอยู่แค่นี้เท่าก็เท่ากับว่าจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมันมีเหี้ยอยู่ในนั้นมันมีรูห้าหกรูนี่แหละ เราต้องการจะจับเหี่ยท่านจึงให้อุดห้ารูนะอุดซะอุดตั้งห้ารูให้มันเหลือรูเดียวเ<อ>มื่อรูเหล่านั้นมันออกไม่ได้มันก็จะค่อยมามาโผล่มาแต่ยรูนี้แหละ<อ>ค่อยจับรูเนี้ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยอค่อยจดจ้องอยู่ตรงนั้นแหละเราก็มาชำระมาชะมาล้างมาขัดมาเกล้าท่านจึงให้มีสติกำกับเพราะสติตื่นขึ้นมาทีไรเมื่อไรอเหมือนกับว่าจิตดวงนั้ น, นมีผู้กำกับดูแล มีสติมีสัมปชัญญะกำกับมีสติมีสัมปชัญญะยะกกำกับดูแลจิตดวงนั้นนะจิตดวงนั้นมันโดนโลดเต้นไปอะไรมันปรุงราคะโผลขึ้นมาปั๊บท่านี่ฟาดปัวป๊วเข้าไปละแน่เพราะมันจ้องอยู่ที่ที่ทรูเนีย่ยหมายความว่าเฮียมันโผล่ขึ้นมา <laughs> เฮียมันโผล่เธอเลยทลาขึ้นมานี่ฟาดปัว๊วเข้าไปละ ได้หนึ่งตัวได้สองตัวได้สามตั ว, ม, ตวมีกี่ตัวอยู่ในนั้นอะ่ะจับได้จนหมดนี่วิธีวิธีทำวิธีปฏิบัติเพื่อที่เราจะดับทันหาราคะในหัวใจของเราทันหาราคะมันมันอยู่ในหัวใจของเรามันอยู่ตรงไหนแหละมันอยู่มอกซอกไหนมันอยู่มุมไหนในหัวใจของเรามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นดับมันเป็นความเลวซามของใจของเราเองที่เราฝึกฝนอบรมยังไม่ได้ ดือ้อมันคึกมันขนอมมันไปตามเรื่องของมันยังมันยังไม่ถูกอํานาจของตะปะทำแผดเผาฝึกขนอมให้มันอยู่ในอํานาจของเรามันแสดงมาอย่างหนึ่งก็เกิดความรักแสดงมาอย่างหนึ่งก็คือชังรักก็คือชอบใจียินดีเกิดยินดีเกิดชอบใจสมมุติอย่างของทุกอย่างเราต้องการเราไปแสวงหาพอได้มาเราก็กําหนดเราก็ยินดีพอ มันผิดหวังอ่ามีคนมาขัดมาคล้องมาคาเนี่ยมันก็ขัดข้องที่เรียกว่าปฏิฆะเกิดความโกรธเนี่ยความโกรธก็เกิดตามมาในเมื่อมันผิดใจมันก็ผิดหวังมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาที่เรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะเพราะฉะนั้นยินดีกับยินร้ายเป็นอารมณ์ที่แปลงผะมาในหัวใจของเราให้เราเข้าใจผิดตั้งใจปฏิบัติธรรมดูให้เห็นอารมณ์ที่เป็นหลักธรรมชาติ ลมหลักที่เป็นธรรมชาติคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟแต่เวลาเรารักเราชอบร่างกายของเราเราไม่ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันบอกว่างามเหลือเกินสวยเหลือเกินอิ่มเหลือเกินอิ่มเอิบเหลือเกินผิวผ่องเหลือเกินนรูปพรรณสันฐานเนี่ยงามเหลือเกินติตออกจิตใจเห็นท่าไหนมันก็ยึดเห็นท่าไหนมันก็ยึด ปัญหามันหลอกมันหลอกจิตของเราแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นธาตุดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพุทธิจาท่านสอนให้เราแยกแยะถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะสิ่งเหล่านี้เราก็สําคัญว่ามั่นหมายว่าเป็นก้อนเป็นแท่งเต็มตึงเต็มแต่งตึ ง, อ ย, ง, งอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดความชอบอกชอบใจกําหนัดยินดีไม่รู้จักจบไม่รู้จักแยกแยะว่าคืออะไรเป็นไร อัตราตัวตนมันโผล่ขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวตนตัวเองก็เป็นตัวตนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวตนเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายชอบชอบขึ้นมาท่านให้แยกแย่ไปตั้งแต่อารมณ์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆอย่างนี้แยกเพื่อแยกเพื่อแยกเพืเ่อแยกเพื่อเอาผู้รู้ของเราเนี่แยกทํางานด้วยสติวิสติกากับจดจ่อกับผู้รู้ของเราผู้รู้คือใจอใจคือผู้รู้ใจมันปนเปื้อนมากับกลมายา ของกิเลสคือความเลวทรามของมันนะพุทธเจ้าท่านก็มาทรงพูดเรียกขานแบบสมมุติน่ะเพื่อให้เราเกิดความเู้เกิดความเข้าใจอ๋ออย่างนี้ราคะอ๋ออย่างนี้โทสะอด้วยอำนาจของโมหะโมหะก็คือไม่มีสติไม่มีสมัมปชัญญะขาดสติขาดสมัมปชัญญะที่ไรเมื่อไร่อวิชช า, ามันก็ครอบงําโมหะมันก็ครอบงํามืดตึบ๊บในหัวใจของเราตราใดที่มีสติมีสมัมปชัญญะกำกับอยู่มันสว่างรู้ ร้องกำหนดให้เห็นดูมันสว่างรคมันตื่นรู้มันสว่างรค้ะอะไรสูงลอยเข้ามาปุ๊บเห็นปั๊บเหมือนอย่างเราอยู่ในที่สว่างจะเป็นงูจะเป็นตะขาบแมงป่องมันโผล่ขึ้นมาเราเห็นปุ๊บปั๊บทันทีแต่ถ้ามืดแหละอะไรโผล่มาเราจะรู้จงอางงูเหลือมกองอยู่เป็นกองๆเดินเหยียบอยู่นั้นไม่เห็นไม่รู้อภิชาคราบ แต่ถ้าหาเรามีสติมีสัมผัสฉันยะกำกับที่ไรเมื่อไหร่มันก็พลิกจากอวิชชามาเป็นวิชชาแปล ว, ว่าความรู้จากความหลงเป็นความตื่นรู้จากความมืดมันเป็นความสว่างจิตดวงนี้มีคุณสมบัติที่เลิศที่สุดคือสติธรรมคือปัญญาธรรมมาด้วยกันทําให้เราสิ่งเหล่านี้มาประกบประกองมา มาประคับมาประคองมามามาดูมาดูแลมาปฏิบัติมากํากับชักไปชักไปชักชักไปจนจิตดวงนี้หมดพยศสิ่งที่พาพยศคือกิเลสตัณหาเนี่ยแหละอ่าพอสิ่งเหล่านั้นเริ่มจางไปเริ่มจางไปเริ่มหมดไปเริ่มชักไปเริ่มขาดไปเริ่มหายไปความพยศก็จะเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดอืม วิธีทาตั้งกระ บ, บอกอยู่แล้วเริ่มมาตั้งแต่นู้นเริ่มเสียสละของนอกกายให้ทานเริ่มมาเสียสละของในกายเสียสละอารมณ์ข้างในใจอารมณ์ที่สวยงามติดออกดีใจหน้ากระยิมยิ้มย่องเสียสละไปเรื่อยเสียสละไปเรื่อยออารมณ์ชั่วร้ายเสียสละเสียสละไปเลยแต่คิดเฉยเฉยมันไม่สละไม่ได้ดอกต้องมีงานที่มันทําอืำแค่เราผ่าวหนายใจได้รับความสงบมันก็ มันก็อารมณ์เหลานั้นมันก็จะงัดอยู่แล้วเอาใจที่สงบนี่แหละไปพิจารณาให้เห็นที่ไปเห็นที่มาเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นตอของมันเห็นการยักย้ายพันแปลของมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมันนําไปสู่ความเห็นโทษอืความไม่คงที่ความต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันไม่คงที่มันถึงเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่เปลี่ยนไปมันถึงไม่คงที่อมายาของเจ้าเกเรตอยู่ในหัวใจของเรา มันไม่คงที่มันก็ไม่ชอบเปลี่ยนไปมันก็ไม่ชอบมันเอาความรู้ของมันเนี่ยไปดักไปแปลงดักยังไงมันก็ไม่สมบังิดักยังไงก็ผิดหวังเพราะภาวะของร่างกายของสังขารภาวะอารมณ์ของจิตภายในจิตจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาเต็มแพร่อยู่นั้นมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเพราะภูมิทั้งหลายของเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นเปลี่ยนไปตามนั้นเรามาดูก้อนธาตุก้อนขันของเรา มีมีส่วนไหนตรงไหนอยู่เท่าเดิมมีไหมดูแต่ผมเรานะ่ะเคยดำดกดำเนี่ยพออายุมากเข้ามากเข้ามากเข้าถึงการผ่านไปมันเสื่อ ม, มก็เริ่มงอผมขาวโปรนเต็หมหัวนี่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเนื้อหนังเคยเต่งตึงกำลังวังชาตาเคยดีหูเคยดีมันอ่อนสภาพไปหมดหูกดตาแบบมืด สติก็ฟั่นเฟือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแหละทุกอย่างที่เคยอยู่เท่าเดิมมันจะไม่อยู่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะเจริญในในคราวที่ควรจเจริญในวัยจเจริญมันจะเจือมเสื่อมในวัยที่ที่เสื่อมไปถึงคราวเสื่อมเสื่อมเสืม เ, เอาจนเอาไม่อยู่พูดไปพูดมากล้องหน้าหลงหลังผิดหน้าผิดหลังลืมนู้นลืมนี้ลืมสารพัดบางทีก็มีโรคไปประกอบเข้าไปอีกอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ ลือหมดลืมเนื้อลืมตัวลืมสติลืมสตังไปหมดมีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมแต่ใจตัณหามันไปแทรกที่ใจมาพยายามกะเกณ์ให้อยู่เท่าเดิมทุกเพราะเพราะกะเกณฑ์อะไรก็ไม่ได้สักอย่างคาดหวังสิ่งใดก็ไม่ได้สักอย่างผิดหวังเราดูความทุกข์ที่หัวใจของเราผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึด้นในหัวใจของเรา เกิดขึ้นจากความเกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นยําปิดช่างนราปฏิตามไปทุกข์ขั้งเราปรารถนาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ ส, สบายอบายวันดีคืนดีมีคนมาก่อความยุ่งยากให้กับเราแหละผิดหวังแล้วอมีโลกดีๆเราต้องการปลุกฝังให้เขาได้ดีไดดีอยู่เย็นเป็นสุขโอ้เป็นอื่นไปแล้วอยู่ดีวันดีคืนดี ย, ย่าบ้าเอาไปกินเสนแล้วตายแล้วโทุกอีกแล้วอืม คือควา ม, มทุกข์เท่าไหร่ต้องปรงเหล่านี้เกิดขึ้นจากผิดหวังร่างกายเราอยู่เย็นเป็นสุขไปไปมาอ้าวเจ็บไายได้ป่วยแล้วโอ้มาเร่งเกาะแล้วไตเสื่อมไปแล้วทุบแป้วใจอยู่นั่นแหละวุทยาสัตว์ให้เราเรียนรู้เข้าใจปล ong ปล่อยให้รู้ตามหน้าที่ของมันโอ้นี่มันไม่ใช่เราถ้าเราเราต้องบอกได้เรื่ที่ไม่ใช่เราเราจึงบอกไม่ได้ ทันหามันบอกว่าเราเราเราเราเราแล้วมันก็ยืดยืดยดยดยยดเนี่ยทันหาวปาทานเราเกิดกี่พบกี่ชาติ ก, กี่กาปกี่การก็ไอ้เจ้าตัวนี้แหละมันมัดเราไว้อเวลามันแสดงฤทธออกมามันก็ชอบใจในสิ่งที่ดีไม่ชอบใจในสิ่งที่ไม่ดีเราตามใจมันไปกะเกณฑ์สิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจหวังกะเกณสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังทงั้งทั้งที่มันเป็นหินหัก กะเกณฑ์ไม่ได้เหมือนอย่างเราต้องการให้ไฟดับไฟจงดับไฟจงดับมันดับไม่ได้ถ้าเราไม่ไปดับที่เหตุที่ปัจจัยของมันดับที่สวิตชักอะไรมันก็ดับหมดดับแล้วไฟจงติดไฟจงติดมันติดได้ไหมถ้าเราไม่ไปเปิดสวิตมันติดไม่ได้ปัญหาในหัวใจของเราก็คือเอาแต่ใจอย่างนี้แหละกะสิโนะกะสิเนี้้เป็นไปตามใจหวังเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ วันคืนยืนเดินนั่งนอนนั่งรับนั่งแบกแต่กองทุกนั่งรับแต่กองทุกท่านจึงให้รู้ให้เข้าใจและพิจารณาและปลงปล่อยปลงปล่อยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอออันนี้มีอย่างนี้เองเอวังธรรมโมเอวังภา ว, วีเอวังอนัตีิโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้เอวังอนัตีิโตมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอวังภา ว, วี มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ล่วงพน้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เอวังอันะตีโตเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใจมันก็ปล่อยใจมันไม่มายึดถือมาถือปล่อยจิตมันก็ปล่อยจิตก็ปล่อยปล่อยปลถ อ, อนตัวออกมาถอนถอยเหลือเต่ ψ, ผู้รู้หนึ่งเดียวสลัดสิ่งเหล่านั้นออกหมดแล้วเอาอะไรมาทุกข์ เพราะฉะนั้นท่านจึงว่ายิ่งถือตัวถือตอนอัตตาเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่าสําคัญมั่นหมายเท่าไหร่เราจะยิ่งสุขยิ่งสําคัญมั่นหมายเท่าไหร่ยิ่งยิ่งทุกข์ทุกข์เพราะความโง่อของเราออันนี้เราดูแล้วเราเทียบมาที่อารมณ์ของเราอารมณ์ที่มันรุนแรงอารมณ์ที่มันยึดถือถือว่าเราถือว่าของของเราอัตตาตัวตนก็โผล่ขึ้นมาทิฏฐิมานะก็โผล่ขึ้นมาอมีสูงมีต่ํามีใหญ่มีเล็ก มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีโง่มีฉลาดมีอะไรมันเกิดเป็นข้อเทียบเคียงขึ้นมาแล้วล่ะดูแต่ท่านว่าเร็วกว่าเขาอย่างสำคัญว่าดีกว่าเขานะเร็วกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเร็วกว่าเขายังสำคัญว่าเร็วกว่าเขาอีกท่านดูที่การถือถือเนื้อถือตัวเนี่มันละเอียดนะนี่การถือตัวมานะการถือตัว ท่านจึงให้ปรงปล่อยอัดสมิตมานะการถือเนื้อถือตัวในเมื่อเรายิ่งถือเรายิ่งทุกข์เรายิ่งถือเรายิ่งทุกข์เราถือทําไมมันพลังมันเผลอมันพลุ้งออกไปให้เข็ดให้หลาบตามต้นมันให้เข็ดให้หลาบตามต้นมันไม่ใช่มีอะไรไม่ถูกหูมีอะไรไม่ถูกเรื่องมีอะไรผิดข้องมองใจตัวเองคิดพยาบาทนเนี่ยคอยจะแก้แค้นในท่นี้ <l ough> <laughs> ดูดเดี๋ยวกูจะฟานบางเดี๋ยวกูจะฟานนั่นเด้นั่นอะไรมันโผล่ขึ้นมานั่นอัตตาตัวตนแล้วก็ไอ้กับไอ้ความสุขที่เราต้องการจะหายต้องการจะเอาเอาไหม ล, ลืมแล้วไม่เอาแล้วร ว, วมตัวและวรวมตัวแหละลุ้ยอำนาจและลุ้ยอำนาจกับความโกรธเมื่อมีอะไรมาขัดแล้วมันก็โกรธใจปกติมันจะน้อมไปตามหลักธรรมชาติของมันมีอะไรมาขัดปั๊บ มาขัดใจทันทีปฏิฆะปฏิฆะนะเกิดโกฏะเกิดพยาบาทเกิดจองเวนเกิดอะไรต่ออะไรแรงพยาบาทนั่นแหละแรงจองเวนแรงอาฆ่าแรงพยาบาทเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยาของกิเลสหยาบหยาบที่จะมาให้ใ ห, ให้ให้ทุกข์ให้โทษกับเราอยู่ทุกปีทุกวันไม่จ่อมาที่นี้ไม่เห็นนั่งเสริมมันทั้งวันนั่งเสริมมันทั้งวันแล้วก็ร้องหาแต่ความสุขร้องเท่าไหร่มันจะเจอ มันไม่เจอดอกเราต้องตามหายให้เจอเหตุพอเราเจอเหตุเราเข็ดลาบถอยมาเจอเหตุขิดลาบถอยมาความฉลาดมีอยู่ข้างในเรามีความสุขอยู่ข้างในมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานอยู่ข้างในข้างนอกมันก็เป็นเรื่องของข้างนอกขยับเข้ามาอารมณ์ทั้งหลายยิ่งอยู่ข้างนอกเข้าไปอีกขยับเข้ามาที่ร่างกายของเราถ้ายังให้ปล่อยที่กายในมาปล่อยที่จิตอีกดูสิมาเรียกขนาดไหนอืม ถ้าล่อยถ้าป ล, อ ย, าปลอยไม่ได้คือตัณหาคือปาทานมันคร้ามันก็ยึดก็ถือถืออะไรก็ทุกข น, นั้นถืออะไรก็ทุกขบ น, นั้นไม่เชื่อลองไปคิดดูถืออะไรก็ทุกข์กับมันนั้นถือสิ่งเดียวที่ไม่ทุกคือถือข้อปฏิบัติทุกอย่างลำบากกันด่างขนาดไหนก็ไดา่าขอตั้งใจตั้อกตั้งใจทาทุกสมุทัยนิโรธยึดไม่ได้สักข้อยึดได้อย่างเดียวมืม ปล่อยวางพิจณาปล่อยวางพิจณาปล่อยวางบางคนปล่อยวางแม้กระทั่งมักแล้วก็ไปเรียกร้องหาผลทีเนี่ปล่อยวางแม้กระทั่งมักไม่ทำเหตุมักก็คือเหตุคือรักษาสินเจริญสมาธิเจริญปัญญาสินสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมัก <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติปล่อยวางตั้งอกตั้งใจปล่อยพางปล่อยวางไ้หมด เสื้อภาพลอยหิวตอนไหนกินปลอยวางหมดแล้วไม่มีข้อปฏิบัติแน่ในสุรนั่นแหละการมสคาิการโยมันก็เอาไปกินหมดประกอบตนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการจะเอาอะไรมาสิ่งนี้เอาไปใส่ให้มันเต็มแปร่อ ย, อยู่นั้นตายชิ้งเปล่าน่ะอย่าไปลองกับมันอย่าไปผูกพันกับมันท่านห้ามลองห้ามผูกพันลองทีไรเมื่อเมื่อไรเนี่ย ติดลองแล้วติดลองแล้วติดอืยิ่ง จ, จิตใจยิ่งอ่อนแอเท่าไหร่ลองติดลองติดลองติดยิ่งผูกพันเท่าไหร่เดี๋ยวได้ทุกยิ่งผูกพันเท่าไหร่เดี๋ยวได้ทุกเรามาดูคำว่าอัสมิตรานะการถือเนื้อถือตัวเนี่ยโต้ดูไม่ดูมาที่ใจของตัวเองเนี่ยไม่เจอมันแหละอ ตามหลังมันไต่ยต่ไตยแต่หลงไปกับหมอกกับควันของมันนั่นแหละทั้งวีทั้งวันไม่รู้ไม่รู้โมหะมันปิดบงังครอบไปหมดเราไม่ทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาเราอยู่ในมรรคอย่าทิ้งข้อปฏิบัติอย่าทิ้งหลักปล่อยวางปล่อยวางนั่นแหะถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติหมายความว่าเราไม่ได้สร้างเหตุ แล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันจะหมดไปได้ยังไงตั้งใจปล่อยมันปล่อยไม่ได้เหมือนอย่าเราตั้งใจให้สงบมันสงบไม่ได้ถ้าเราไม่ทํางานให้มันเราตั้งใจให้เกิดปัญญามีปัญญาแต่ฉานเฉลียฉลาดนั่นคล้ยๆมีความปรารถนาเั้านั้นแต่ถ้าเราไม่สร้างเหตุเราไม่ทําเหตุไม่ได้สร้างเหตุก็ต้องสร้างเหตุให้ถูกให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาปัญญาทําความพิถีพินให้ถูกให้ตรงเป็นมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาปัญญา เพราะฉะนั้นให้ตายอยู่กับข้อปฏิบัติท่านไม่ถือว่าแข็งจนเกินไปอยึดให้ให้เป็นให้ตายกับสิ่งเหล่านั้นคือยึดมัดยึดข้อปฏิบัติยึดปฏิปทาไม่ใช่อันนั้นก็ปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางโอ้ยพุทธเจ้าท่านให้ปล่อยวางแน่จะผิดแล้วปล่อยวางแม้กระทั่งมัดที่จะดําเนินอ่ะแล้วเอาอะไรมาเจริญท่านนี้กลายเป็น ไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสแล้วกิเลสเจริญเราได้ยินได้ฟังก็เอาน้องไปพิจารณาเกิดประโยชน์พอสมควรเก็เวลาเอาเลิกได้เอาพระเรากคนนิสัยอ่า สเส้นเอนนี่มันรุกรานไปเรื่อยหนะนั่งดีๆก็ดึงหลายรงแล้ว